นั้นใจเราก็เหมือนกันที่มันเก็บอะไรต่ออะไรมาทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งถูกทั้งผิดทั้งมืดทั้งสว่างเนี่ยมันก็เ ข, ข้าสับสนปนเปกันในใจของเราจะหาอะไรเช่อย่างมันก็ลือ้อถอนกันยากอพอมาตั้งรีเซตใหม่ปั๊บเนี่ยโอ้มันก็ได้เครื่องใหม่เลยทีนี้เพราะฉะนั้นชีวิตถึงแม้จะสั่งสมข้อมูลอะไรมาตลอดชีวิตเนี่ยก็โลมันทิ้งใช่ไหมนะรีเซตใหม่ แล้วอะไรที่ดีๆก็เอาเข้าไปใหม่ที่นี้มันถึงมันจะเรียกว่าของเก่าไม่เหลือแต่ของใหม่ที่เข้าไปเนี่ยเป็นของที่เรียกว่าเราเลือกแล้วนะเลือกแล้วเราจะทําให้เครื่องเราไวขึ้นเครื่องของเราที่มันเคยอืดอาดล่าช้าเนี่ยมีไวรัสอยู่เยอะแยนะก็ทําให้เครื่องมันเสียได้ง่ายล็อกได้ง่ายนะเครื่องมันล็อกมันเปิดไม่ได้ไวรัสของมัน เกาะอยู่ข้างในใจเราเหมือนกันบางครั้งเนี่ยอารมณ์เรามันล็อกคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่เป็นเห็นอะไรไม่ชัดจัดอะไรไม่ถูกจะปลูกจะฟังอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันล็อกอใจเราเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อในวิธีการของพ่อเทียนเป็นวิธีที่เรียกว่าสมัยใหม่น ะ, ะถ้าหากว่าเราเคยฝึกฝนเคยศึกษาอะไรมาเนี่ยเราเราออกไปก่อน ลองดูถ้าหากว่ามันไม่ไม่ดีก็เอาเข้าไปไปใหม่ก็ได้เลือกเข้าไปทีนี้นะด้านวิธีการรีเซตเครื่องใหม่สันใดใจเราก็รีเซตใหม่นะเคลียร์ออกใหม่ตั้งต้นกันใหม่เนะี่ยก็เหมือนเราเป็นคนมาฝึกวิธีการนี้ใหม่มาก็จะพยายาม <c oughs> ใส่ข้อมูลที่มันถูกต้องเข้าไป <c oughs> ที่มาเคยเคยทํำนะถ้าจำไดที่ไม่เอาออก ของเก่าออกหมดเดองใหม่มันเข้าไปไม่ได้เหมือนแก้วน้ํำนี่เราจะไปใส่อะไรกินเนี่ยถ้าหากของเก่ามันคาอยู่น้ําจุ้ยน้ําผลไม้น้ํากาแฟเป๊ปซี่โอเวนตินอะไรต่างๆที่มันคามันติดอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เทไม่ล้างเนี่ยมันก็เอาไปใส่ <c oughs> ของที่ดีๆก็ไม่ได้นะเอาไปใส่ยาใส่อะไรก็ไม่ได้เพราะมันมีของเก่าติดอยู่ ถ้าสิ่นใสเข้าไปก็ใช้ไม่ได้ทั้งของเก่าของใหม่ใจเราเหมือนกันมันมีของเก่าค้างอยู่เนี่ยเราเทออกไปล้างออกไปก่อนล้างไหวไหมใจลอยๆนี่ล้างไหวไหมล่างยากเหมือนกันนะเฝือไม่ได้มันลอยอถ้ามียุงก็บอกนะจะได้อแบ่งกันคนละตัวสองตัวไปจะได้ไม่รับคนเดียวมาก็จะแบ่งไปให้ว่าง เพราะนั้นในของใหม่ที่จะใส่เข้าไปวันนี้ก็คือวิธีการของโว้เทียนนั้นเป็นวิธีการที่ต ร, ตรงตรงซื่อซื่อชัดชัดไม่มีอะไรสลับซับซ้อนถ้าหากว่าใจเราไม่ตรงไม่ซื่อมันก็เอาอยากเหมือนกันนพรานั้นพูดถึงว่าเบื้องต้นให้รู้จักกายจักใจให้ดี กายใจรูปนามของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ละขณะขณะนะไม่ต้องไปรู้อดีตทั้งหมดมันมาจากไหนเป็นใครช่างมันทิ้งมันไปก่อนล้างไปก่อนแล้วต่อไปเราจะเป็นอยู่ข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันแต่เอาขณะนี้เดี๋ยวนี้สารวจทีละขณะเนี่ยขณะนี้กายใจเราเป็นยังไงให้รับรู้มันตามความเป็นจริงกายเราสบายไหมตอนนี้โอ้ไม่สบายผมพ่อเป็นโรคปวดหัมวามาหลายปีเป็นโรค ตับมาหลายปีแล้วนี่อันนี้มันไม่ใช่ปัจจุบันมันไม่สบายมานานแล้วอันนั้นนะแต่ขณะนี้มันเป็นยังไงอ่าหรือว่าโอ้ฉันคงจะกลัวจะเป็นนั้ น, น, นเป็นนี้กลัวจะเป็นมะเร็งกลัวจะเป็นกระเพาะก็ยังพึ่งไปกลัวมันเพราะมันยังไม่ได้เป็นแต่ขณะนี้มันเป็นอะไรสบายหรือไม่สบายเนี่ยให้ดูแต่ละแต่ละขณะแต่ละขณะขณะไปเรื่อย อันนี้เขาเรียกว่าใส่ของใหม่เลือกของใหม่ไปทีละอย่างละอย่างละอย่างไปเอาของเก่าออกไปก่อนนะะที่เคยนั่งสงบเคยนั่งเข้าชานนั่งสมาธิได้ชั้นนั้นชั้นนี้ได้เห็นนั้นเห็นนี้เอาทิ้งไปก่อนได้ไหมอ่าเอาทิ้งไปก่อนแล้วให้เรามามารู้ตัวที่มันกําลังปรากฏปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท้าของเราเนี่ยให้มารู้ตลอดลักษณะ น, นี้เรียกว่ารู้รูปรู้นาม ในรูปเนี่ยมันมีนามตัวแสดงอยู่ในรูปมันมีอะไรที่เราเรียนกันไปแล้วว่ามีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่สบายมีความาดับความสิ้นไปหมดไปตั้งใหม่อย่างเงี้ยตลอดเวลาอันนี้คือรูปใช่ไหมยังจําได้ไหมตอนเช้าที่เรานั่งมากับนั่งตนนัวนี้ความหนักตอนเช้าที่ไม่สบายกับหนักตนนัวนี้มันคนละหนักหรือหนักเดียวกัน อาการที่มันไม่สบายตอนเช้าก็เดี๋ยวนี้มันเป็นอาการเดียวกันไหมไม่เป็นความง่วงที่มันเกิดตอนเช้าหรือตอนบ่ายจะเรียกมันกลับมาตอนนี้ได้ไหมไม่ได้แสดงว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่จริงไม่มีมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุใช่ไหมเกิดเพราะเหตุตอนนี้ไม่มีเหตุมันก็เกิดยากหรือไม่เกิดแต่ถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดอีกเพราะนั้นสิ่งแถเนี้ ไม่มีมาก่อนกิเลสก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนตัณหาอุปาทานความทุกข์ที่เราว่ามันทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนถ้ามัน ม, มีมีขึ้นตอนไหนมีขึ้นตอนที่มันมีเหตุตอนนีอ้อยากจะให้ฝนตกทับตายมันก็ไม่ตกให้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุตอนนี้ก็อยากจะให้มันร้อนแบบราเวยกัดมันก็ร้อนไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุที่จะต้องร้ อ, อ น, น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงเชื่อว่าเอาปัจจุบันน่ปะปัจจุบันตับปัจจุบันเหตุปัจจุบันเนี่ยดูแต่ละขณะเรานั่งแบบนี้เป็นไงใจสบายไหมใจลอยไหมใจรู้หรือใจคิดหรือใจไม่คิดตรวจสอบดูร่างกายที่เขานั่งขณะนี้เป็นยังไงสบายหรือไม่สบายหนักไหมเจ็บไหมปวดไหมสํารวจ ด, ดู การมีสติเข้าไปสํารวจทีละขณะขณะอันไหนไม่สบายก็ปรับออกอันไหนสบายแล้วก็ไม่เพลินอันไหนไม่สบายก็ปรับเปลี่ยนไปอันไหนไม่สบายก็ไม่อันไหนสบายแล้วก็ไม่เพลินให้รักษาความรู้เท่าที่อยู่ได้เนี่ยเท่าที่ทนได้เนี่ยตรงนี้เรียกว่ารู้จักรูปรู้จักนามตามความเป็นจริงเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวมันเปลี่ยนอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่สบายอย่างนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะมันเป็นไปตามกฎอะไรที่เราเรียนกันมา กฎของไตรลักษณ์เหล่อนี้จังทุกขังนาตาเราก็ไม่ต้องไปเกลียดไปกลัวมันหรอกเพราะมันเป็นข้างมาอยู่ยงั้นตั้งแต่เกิดใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักแล้วอย่างนี้กับไม่รู้จักเลยเนี่ยมีผลต่างกันอย่างไรถ้าเรารู้จักเราก็จะไม่กลัวเราก็จะไม่หุดหงิดลำคาญเราก็จะไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้เหตุว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นตาตานัา่นว่า แล้ว <S an> เราจะไปเกียดไปกลัวไปหนีไปหลบไปเลี่ยงมันไปทําไมอ่ะพราะมันเป็นอยู่อย่างเนี้เรากลัวหรือไม่กลัวก็เป็นอยู่ยนี้ยเราหนีไม่หนีมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เราเกลียดไม่เกลียดก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงแล้วก็ยอมรับมันเสียอมรับการมีอยู่ของมันแล้วก็ทําให้ใจของเราดีขึ้นจะร้อนจะหนาวก็ใจก็ยังดีอยู่จะ สบายไม่สบายใจก็ยังดีอยู่แต่นี่ปรากฏว่าเราไม่ยอมรับมันอพอมันเป็นขึ้นมาเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันไม่สบายขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าไม่สบายไปเหมืนกับมันและลมณ์เราก็เสียไปกับมันนั่นแสดงว่าเราไม่ยอมรับมันมันก็เลยการเกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับมันตามความเป็นจริงว่าเอออันไหนที่มันฉันทนได้ฉันก็จะทนอันไหนทนไม่ได้ฉันก็แก้ไขออกไปเท่านั้นเอง มันก็เบาสบายใช่ไหมมันก็เบาสบายโอ้ยุงตัวเท่านี้ค่อยเลยนะนเริ <laughs> ่มมาแนละ้วถ้รารับไม่ไหวค่อยบอกนะถ้รารับไหวอยู่ก็ต้องไม่ต้องบอกนะรับไหวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพอยุงมันมาเราก็อุปทานว่ากลัวใช่ไหมยุงเอยยุงมันตัวเล็กกว่าเรา้งังเยอะไปกลัวทำไมนะเออถ้าเราคิดไปอีกแบบหนึง่งใช่ไหม อแต่มันทําให้อเรารู้สึกกลัวมันกัดเท่านั้นเองเอ๊ะมันก็ไปไม่ได้เอาเลือดไปทีไรช้อนหรืไม่เออไม่ได้เอาไปทีลรหยดเลยนะอไม่ถึงนิดเดียวเลยส้่งไปเอ๊จะทำให้เรากลัวนี่เขาเรียกวุปทานเออมันมาก็ไล่มันหน่อยแค่นั่นแหละหรือจะใจดีบริจาคมันหน่อยมันอุตส่าห์มาอยู่ได้แค่ชีวิตแค่เจ็ดวันมันก็จะตายแล้วนั่นแหะมันก็รีบๆกินแล้วมันก็รีบตายแล้วก็ส่งมันซะอย่างนะอืเพราะฉะนั้น ตัวประธานนี่ไรกะทีเดียวนะเมื่อเรามารู้จักรูปคือเป็นที่ตั้งของอะไรอันนี้จังทุกขังหน้าตารู้จักนามคือรับรู้ว่าเอออันนี้นะมันสบายหรือไม่สบายเรียกว่ารูปนามเรารู้รูปนามแล้วไปไงรู้รูปนามเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่สําคัญว่ารูปนามนี้เป็นเรารูปนามนี้เป็นอะไร เป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็แก้ไขให้รูปนี้อยู่ได้กับอ น, นิจจังทุกข์ังหน้าตาให้มันอยู่เป็นเพื่อนกันเพราะไหนๆแล้วมันมันทิ้งกันไม่ได้แล้วนี่ยเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็อยู่กับเราดังนั้นเราก็ยอมรับมันนะอันนี้เรียกว่าอารมณ์รูปนา ม, นามดังนั้นอารามณ์นามนี่เราจะรู้ ชัดลงไปได้แต่ละเวลาได้ไงก็ต้องมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าที่ที่แล้วมาเราไม่รู้เพราะว่าเรามีความอะไรหลงลืมใช่ไหมความเผลอความเพลินความคิดเข้ามาดึงใจเราไปเรียกว่าอาวิชชาแต่พอเรามาสร้างตัวรู้ทีนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขามันทําให้จิตของเรากลับมาอยู่กับตัวปัจจุบันพอรับมาอยู่กับตัวปัจจุบันปั๊บมันก็รู้ถึงอาการข้างใน ข้างในข้างในกายเนี่ย เ, เรียกว่าเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงไหวเจ็บปวดเมื่อยพวกนี้เป็นอาการของเวทนาตัวเวทนาตัวนี้รูปตัวนี้มันเป็นโรคของอ น, นิจจังสังขาเวทนาตัวนี้มันก็เป็นโรคของนามโลกรูปโลกนั่นแหละโลกของรูปแต่เวทนาตัวนี้มันจะ เป็นทําให้น้ำเป็นโรคหรือไม่ขึ้นอยู่กับสติไปทันไหมสมมุติว่าความกลัวเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นน้ำความกลัวยุ่งกัดเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นน้ำเออความกลัวยุ่งกลัวว่ามันจะกัดมันเป็นรูปหรือเป็นน้ำเป็นน้ำไม่ใช่ความรู้สึกกลัวน่ะความรู้สึกซื่อไม่มีอะไรเนี่ยมันเป็นรูปน้ำใช่ไหม แต่ถ้าความรู้สึกกลัวเนี่ยมันเป็นรูปนามหรือนามรูปอ่าเป็นรูปนามหรือนามรูปเป็นปนามรูปเพราะรู้สึกกลัวใช่ไหมอ่าเป็นนามรูปขึ้นมากลัวว่ายุงจะกัดแล้วก็มือไม้มันก็ไปโดยที่เรารู้สึกไหมมือไม้จะไปตบยุงเนี่ยรู้สึกัหมไม่รู้สึกเพราะว่าสันอะไรสติสัสาชาติาอะไร สติสัญชาติญาณทำหน้าที่อะไรป้องกันภัยใช่ไหมพราะสติสัญชาติยานมาทำหน้าที่อยู่สอย่างหนึ่งหาอาหารใส่ปากใส่ท้องนะหนีภัย3 ส, สืบพันธ์หาที่อยู่อาศัย ทำหนาที่สัตว์มีอย่างสี่อย่างนี้ด้วยไหมมีหาสัตว์ก็หาอาหารกินสัตว์ก็กลัวภัยสัตว์ก็สืบพันธุ์สัตว์ก็หาที่อยู่เราก็ทําเหมือนมันมันก็ทําเหมือนเราใช่ไหมสติของเราก็มันต่างกันไหมอ่าไม่ต่างเพราะมันเป็นเพียงสติสัญชาตญาณอ่าเพราะฉะนั้นสัตว์มันก็ฉลาดในการหากินไงใช่ไหมันก็หลบภัยเก่งด้วย เห็นมันอยู่เนี่ยเราไปล่ามันง่ายไม่ได้นะนกหนูปูปีกเนี่ยเราก็เหมือนกันเวลายุงมาแล้วก็กลัวภัยใช่ไหมจะมากัดเราอ่าเราก็ปัดไปมือมันไปของเรื่องด้วยอะไรสัญชาตญาณใช่ไหมแต่ในตัวสัญชาตญาณนั้นสู้ล้วเอออันนี้ยุงมาเกาะแล้วนะฉันก็รู้สึกเอามือมาให้รู้สึกตัวใช่ไหมแล้วก็เราจะจบหรือจะไล่ เออถ้ามันไปโดยสัญชาติญาณนมันตบหรือมันไล่มันตบแต่ถ้ามันไปด้วยปัญญาญาณมันตบหรือมันไล่มันไล่อ่ามันไล่ไปแค่นี้มันก็ไปแล้วใช่ไหมถ้าขยันไล่มันหน่อยเท่านั้นเองที่ไล่นี่ไม่ได้กลัวนะแต่เราช่วยมันช่วยว่าเดี๋ยวเดียวสติสัญชาติญาณฉันมาแล้วแก่ตายนะเพราะฉนั้นเอาสติปัญญาญาณมาช่วยแกก่อนก็เลิกกันเอออันนี้คือนี่ข้อดีของสติที่เป็นปัญญาญาณมันก็ชีวิต เราก็ชีวิตใช่ไหมแต่ชีวิตมันเล็กกว่าเท่านั้นเองแต่ทําไมมันถึงกระเฮียนกระหือเลยจะมาป้นเอาเลือดเราล่ะเพราะชีวิตมันสั้นแค่เจดวันมันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดมามันจะต้องรีบสืบพันธุ์เพราะว่ายุ่มันก็ต้องมีพันธุ์เหมือนกันถ้ามันไม่รีบสืบพันธุ์เนี่ยมันก็มันเป็นแสนแชาตยานเข้ามาในการสืบพันธุ์อ่าเป็นหน้าที่ของมันพอกินเลือดป้อมันก็ไปหาตัวเมียสืบพันธุ์พอสืบพันธุ์อีหน่มันก็ตายแล้ะ เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่แล้วค่อยส่งเขาไปเพเกิดซะ ก, ก่อนก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าส่งเขาไปเกิดนี่เราก็ได้อได้ตัวใหม่ขึ้นมานะาได้ตัวใหม่มาโรกรนใหม่พ่อแล้วพอตัวจบตัวหนึ่งตัวใหม่มันมาพ่อแล้วพอคาวเลือดที่มันมากัดเราเนี่ยมันไปกินถูกตัวอื่นมันได้กินเลือดของเราใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปชวนตัวอื่นมาแต่พอเราไล่มันเนี่ยมันก็ไม่มีคาวเลือดให้ยุงตัวอื่นมากัดเราเห็นไหมอันนี้คือ ตัวสัญชตาตญาณสติโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมันจะทําให้สร้างความไม่รู้ขึ้นมาความไม่รู้นี่ก็จะไปสร้างความกลัวความกลัวก็ไปสร้างการปกป้องตัวเองการปกป้องตัวเองก็จะไปทําให้เกิดการสร้างบาปคือให้ยุ่งตัวใหม่มาเกาะเราใหม่แต่ถ้าวัดยุงตัวนี้ไม่ตายเนี่ยมันไม่มีกลิ่นคาวเลือดดูตัวอื่นก็ไม่ได้คาวเลือดมันก็ไม่มาเดี๋ยวมันก็ไปนี่ผลมันต่างกันอย่างนี้ นั้นตัวกลัวนี่เรียกว่าเป็นนามรูปเอาละทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีสติปัญญายาณอ่าเราก็ไล่มันไปรู้สึกตัวไล่มันไปนะพอรู้สึกตัวไล่มันไปจิตของเราที่ไล่มันไปด้วยความไม่ตากด็ดีหรือด้วยความไม่กลัวก็ดีทําหน้าที่เราก็ปกป้องตัวเราแล้วก็ปกป้องตัวเขาด้วยจิตของเราก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลไม่กลัวแต่ทําหน้าที่เนี่ยเป็นรูปนามหรือนามรูป เออเอเอาให้ดีนะเพราะเมื่ีระบอกความกลัวเป็นนามรูปใช่ไหมแต่ที่มันไม่ไม่กลัวแต่เราทําหน้าที่รักษาตัวเองแลรักษาเขาด้วยเป็นอะไรอ่าตรงนี้สําคัญตรงนี้สําคัญเพราะในตัวนี้หนึ่งจะมีรูปนามสองจะมีนามรูปสามจะมีนามล้วนๆสี่จะมีรูปล้วนๆไอ้นามล้วน เอ้เข้าท่าอย่าแช่เชื้อนี่เพราะมันเป็นกุศลกุศลนี่เขาเรียกว่าเป็นมหากุศลเป็นนามล้วนๆอ่าเป็นสตินะเป็นนามล้วนนะเห็นไหมแต่ถ้าหากมันเป็นความกลัวมันเป็นโลกโลกของรูปมนเป็นนามรูปแต่ถ้าหามันเป็นรูปนามก็คือว่ามันไม่มีเหตุอะไรมากระทบบนรูปนามเฉยๆนะพอเหตุมากระทบแล้วมันไปได้สองอย่างคือเป็นนามหรือเป็นนามรูป ถ้าเป็นนามรูปก็เป็นเหตุของทุกข์คืออกุศลถ้าเป็นรูปนามาถ้าเป็นนามเฉยๆก็เป็นเหตุให้ดับทุกข์เป็นกุศลก็เป็นนามล้วนๆคือเป็นสติปัญญาก็เป็นฝ่ายกุศลเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่ารูปโลกนามโลกถ้ามีสติจะรักษาได้ทั้งรูปโลกและนามโลกเพราะฉะนั้นเราจึงจเจริญตัวรู้เนี่ยรุ่นตัวรู้เพื่อให้ทันต่ออะไรทันต่อสัญชตาตญาณ หันต่อสติที่เป็นสัญชาติานพอสติประธานเข้าปั๊บสติสัญชาติานก็หมดหน้าที่ไปแต่ถ้าสติประทานมาไวทานสติสัญชาติานไปไงก็ทําหน้าที่โดยธรรมชาติเลยถ้าหากว่าตอนนี้มันจะมืดถ้าเราเปิดไฟมันก็สว่างโดยหน้าที่ของมันถ้าหากว่ามันมืดไฟดับมันก็มืดต่อไปจิตของเราเหมือนกันเพราะโดยสัญชาติยานมันมืดใช่ไหมแต่พอเอาสติที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเข้าไปปั๊บ มันก็เป็นแสงสว่างขึ้นมานี่เขาเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมพอสติเข้าไปปับ๊บมันเปลี่ยนรูปโลกนามโลกเป็นรูปธรรมนามธรรมเราจึงสร้างตัวสตินี้ขึ้นมาความรู้นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อสันทัตญาณแต่ถ้าสติเราน้อยฝึกฝนมาน้อยจะทันไหมไม่ทันเอาละทีนี้ยุงมันกัดเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ทันมันด้วยมันเริ่มคัน นี่คันแล้วรู้สึกเป็นสบายหรือไม่สบายไม่สบายไม่สบายแล้วทําไงมันคันตรงนั้นยิ่ยๆทำไงแล้วก็เกา <c oughs> เกานี่เป็นรูปหรือเป็นนามเกาให้หายคันเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเกาโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นเกาโดยไม่รู้ตัวนี่เป็น <c oughs> เป็นนามรูป เพราะเกาด้วยความรู้ส <Carbon. S 2> ึกไม่สบายแต่ถ้าเกาด้วยความรู้สึกตัวเพื่อบำบัดความเจ็บเป็นอะไรเป็นนามล้วนๆเกาเหมือนกันแต่ว่าอันหนึ่งเป็นนามรูปอันหนึ่งเป็นรูปน้ําอันหนึ่งเป็นนามอันหนึ่งเป็นรูปนามเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีสติเนี่ยมันจะวิเคราะห์เข้าไปในการกระทําทุกขั้นตอนของเรา แต่ตลอดเวลามาที่เรารับทุกเวรน า, าต่างๆและเรามีการวิเคราะห์แบบนี้ไหมเรามีการศึกษาแบบนี้ไหมไม่มีทุกอย่างเป็นหน้าที่ของหน้าที่โดยสรรชาติยานครอบงำเราหมดเราถึงได้เป็นผู้มีความทุกข์อยู่ไม่อยู่ไม่ย่อนไงพอได้สั่งสมเหตุที่เป็นอกุศลเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีตัวสติเข้าไปทำหน้าที่แทนแทนที่มันจะเป็นรูปโรคนำโรค ก, ก็เป็นรูปธรรมนำธรรมก็เป็นตัวของ ทุกและเหตุดับทุกขึ้นมาเหตุของทุกข์และการดับทุกขึ้นมาต่อไปถ้าเป็นสันชาติยานสติเป็นชาติยานถ้าเราไม่ได้ฝึกตัวสติสัมปชัญญะเข้ามาไม่ได้ฝึกสติประฐานเข้ามารูปโลกนามโลกจะก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดรูปทุกนามทุกนะรูปก็เป็นทุกนามก็เป็นทุกเหมือนกับรูปทุกเล่าไม่พอเข้าเปจะเป็นทุกความกลัวนามทุกใช่ไหม อ่ะเป็นความกลัวเอาูปโลกยุงกัดมันเกามันคันกายไม่สบายการที่เรามีสิ่งที่มากระทบให้สบายบ้างไม่สบายบ้างมันก็เป็นอุปกรณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานได้เราก็มีหน้าที่เราจะเห็นโอ้การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ดีเลยเนาะการเกิดมาเป็นคนันไม่ดีเลยนะเป็นที่ตั้งของทุกตลอดต้องคอยปัดคอยเป่าคอยปลกคอยป้องคอยหุงหาคอย อจัดการอะไรตลอดทั้งวันน่ะเราก็ง่วนอยู่กับความทุกข์ของตัวเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันก็ทําให้เห็นเป็นรูปโลกนามโลกเราก็เกิดความอะไรล่ะความตระหนักรู้ขึ้นมาโดยการสร้างตัวรู้เยอะๆเพื่อสติจะได้พอที่ไปป้องกันตัวเองเพื่อจะให้มันเป็นรูปโลกนามโลกให้มันกลายเป็นรูปธรรมนามธรรมพราะมันเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วเราก็เอาตัวทุกข์เป็นอุปกรณ์ ในการปฏิบัติภาวนาแต่ที่แล้วมาเราเอาทุกเป็นตัวอะไรไ ม, มาเป็นตัวอุปสรรคไม่ใช่อุปกรณ์เราทุก ข, ขึ้นมาแล้วเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมกลัวไม่เอาแล้วนี่ดังนั้นทุกเป็นได้ทั้งอุปสรรคและเป็นอุปกรณ์ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีสติเข้าไปจัดการในระดับไหนระดับสัญชตาตญาณหรือระดับปัญญาญาณ ถ้าระดับสัญชาตญาณมันก็จะทําให้ทุกข์เพิ่มไปถ้าสติที่เป็นปัญญายาณมันก็จะทําให้ทุกข์หมดไปนี่เรียกว่ารูปทำนามธรรมรูปทุกข์นามทุกข์รูปโลกนามโลกทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทั้งทุกข์รูปทุกข์นามธรรมเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอนิจจังทุกขังนัตตาตอนนี้เรามีอยู่ไหมอนิจจังทุกขังตาสัมผัสได้ไหมตอนนี้เอาที่เราเคลืนเราไหวนี่เราเคลื่อนไหวทําไมนี่ ยกหน้าโยกหลังเพื่นนั่งเดืวยนี่เนี่ยเพื่ออะไรไม่ไม่ได้ยกมืออ่ะบางทีมือไปนั่นไปนี่ขยับนั่นขยับนี่เนี่ยไม่ยกมือไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวนะอ่าขยับนั่งขยับนี่ไล่ยุงบ้างยกแข้งยกขาบ้างมีใช่ไหมเพราะอะไรถึงอ่าถึงเคลื่อนไหวหลายอย่างแบบนั้นเพราะมันเป็นที่ตั้งของอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้จังทุกขันนั่นไงตัวนี้จังทุกข์ของนัา ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมแต่เราเลยเคยรู้จักมันไหมไม่เคยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะนั้นเราเคลขยับไปขยับมามันเป็นไปเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือมันมีเหตุมันมีเหตุเราเคยเข้าไปศึกษาเหตุเหล่านี้บ้างไหมนี่เขาเรียกวสมุทัยเหตุของทุกเหตุต้องละละอะไรไม่ใช่ละการเคลื่อนไหวนั้นไปละเหตุที่ทามันเคลื่อนไหว ทีเราเคลื่อนไหวยกนั่นอยู่นี่เพราะอะไรเราจึงเคลื่อนไหวก็เพราะมันทุกข์ใช่ไหมเราเคลื่อนไหวเพื่อจะให้เกิดการระบายความทุกข์ออกไปถ้านั่งแช่อยู่นั้นมันตึงมันเครียดมันหนักใช่ไหมพอได้เคลื่อนไหวหน่อยมันก็เกิดการผ่อนคลายทุกข์ก็ค่อยผ่อนคลายพออยู่ได้นี่คือตัวของสติประฐานเข้าไปทําหน้าที่แล้วนะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งกายก็ได้ผ่อนคลายใจก็เกิดการรู้ขึ้นมา เรียกว่าเราได้รู้ในตัวสติสมัมปชัญญะก็เกิดขึ้นละนะโดยการศึกษาปฏิบัติแบบนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาที่จะสื่อสารเรื่องนี้เพียงพอรู้ทั้งรู้ว่ามันดีเนี่ยเราจะเอาได้ไหมไม่ได้เพราะขาดอะไรขาดศรัทธาขาดความตั้งใจจริงๆและขาดศรัทธาศรัทธามีสองอย่างหนึ่งศรัทธาโดย สัญชตาตญาณสองศรัทธาโดยปัญญายานันศรัทธาโดยปัญญายันที่เราศึกษาไปตอนเชา้ามีกี่อย่างมีสี่อย่างหนึ่งศรัทธาในกรรมคือการกระทําของตัวเองเรียกว่ากรรมศรัทธาสองศรัทธาในผลของกรรมที่เราทําไปแล้วเออพอใจว่าอวันนี้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะรู้รู้ ร, ร, ร, รู้ตัวรู้สึกเบาสบายเป็นผลไหมเป็นผลเออวันนี้รู้ตัวขึ้นมาเยอะ น่ะอันนี้เขาเรียกเป็นวิปากะสัทธา 3. ความรู้นื้อรู้ตัวความสบายกายสบายใจที่เกิดขึ้นเนี่ยตกแกใครตก แ, แ, แก่พ่อแกแม่แกพี่แก่น้องหรือตกแกเราตกแก่เราเองสตัวที่ทําให้เราทําแล้วรู้สึกได้อย่างเนี้ยเราได้รับคําสอนนี้สืบทอดมาจากใครมาจากการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่า ต, าตาถาคตตัวที่สัทธาต้องมีสัทธาตัวนั้น นะแต่ถ้าเป็นศรัทธาที่เราทําเห็นเขาทําว่ามันดีก็ทําตามเข้าไปหลวงพ่อบอกว่าดีก็ทําทตามหลวงพ่อพอรหลวงพ่อไม่ได้บอกคนอื่นไม่ได้ทําเราก็เลิกไปเลยใช่ไหมอันนี้ศรัทธาโดยปัญญาหรือโดยโด ย, โดยสัญชตาตญาณโดยสัญชตาตญาณเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขา พอไมมีเขามาบอกฉันก็ไปเหมือนเดิมมีนะเ <c oughs> พราะนั้นเราจะรู้ว่าใครเกิดปัญญาหรือไม่เกิดปัญญาก็หลังจากงานเสร็จแล้วนั่นไม่ใช่ตอนนี้อตอนนี้อาจจะทําด้วยความเห็นเขาทาําบังทําด้วยเกงใจหลวงพ่อบงังทําเพราะเกงใจอาจารย์บงังเนาะถ้าไม่ทำํทำมันทําไงอยังเอาเน่ไม่ได้ตอนนี้ยพราะมันปลารบสิ่งอื่นอยู่แต่หลังจากนี้ไปใครไปแอบทําที่บ้านคนเดียวนั่นแหละศรัทธาของแท้เลยแหละจะมีบ้างไหมน่าจะมีนะ โอ้ไม่ใครไม่ทำฉันทำคนเดียวปิดห้องทำสร้างจังหวะเดินอยกรมได้วันละหลายชั่วโมงว่างตัวไหนฉันทำตอนนั้นเป็นไปได้ไหมภาพนี้เกิดจะมีขึ้นไหมอาจจะมีนะอ่าในสิบคนอาจจะมีสักคนหรือว่มีสี่คนอาจจะมีกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะอยากจะเห็นภาพวันนั้นน่ะถ้าหากวันหนึ่งอามาได้รับโทรศัพท์มาทางคนดังบ้านบอกว่านี่โยม น้องฉันพี่ฉันเมียฉันลูกฉันไปปฏิบัติมาแล้มันเปลี่ยนแปลงมันทําทุกวันเลยนะหลวงพอ่อมาจากกันก็จดีใจมากอันเนาะคนในบ้านโทรมารายงานว่าโยมไปปฏิบัติงานนี้กลับมาโดยทําทุกวันเลยนะเาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเมื่อก่อนมีคนหน้าบุญหน้าเมืองขี้จมขี้บนเดี๋ยวนี้เยือกเย็นเยี่มแย้มแจ่มใส โอ้ยมงพ่อมาเปิดอีกก็แล้วก็นนะัดฉันปีหน้าฉันไปบ้างนะเนี่ยนี่มันจะมีผลได้ใช่ไหมเออมันจะมีผลให้ให้เราได้เข้าให้เราดึงคนอื่นมาง่ายขึ้นนะ่ะแต่เรากลับไปเที่ยวนี่หูแย่กว่าเก่าเลยนะออไม่เอาแล้วปีหน้าไม่ให้มาเลยนะเพราะปีกายมาเห็นไปตั้งหกเจ็ดวันไม่ได้เรื่องเลยเสียเวลาเปล่าเปล่าไม่ให้ไปแล้วพีน่นี้เราก็เรียกว่าเสียสมาชิกทั้งเราทั้งเขาไปด้วยนะอืมดังนั้น อันนี้ในวิธีการอนะเทีนึงให้รู้เรื่องรูปนาม2เรื่องนามรูป3เรื่องรูปร้ล้วน4เรื่องนามล้วนห้าทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดจากอ น, นิจจังทุกขังนาตา 6. เมื่อเรามีสติสันชาติยานแล้วทั้งหมดจึงเป็นที่ตั้งของทุกขอ น, นิจจังทุกขังนาตา7 ถ้าเรามีสติปัญญาญาณทั้งหมดเป็นที่ตั้งของอะไรเป็นตั้งของศีลสมาธิและปัญญานี่ที่เราเรียนมาโดยสรุปนะเพราะั้นจะเป็นให้จะให้เป็นอนิจจังทุกของนาตาหรือศีลสมาธิปัญญามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรามีวิชาหรืออวิชาเท่านั้นเอง เพราะนั้นวิชาเราจะเรียนได้อย่างไรก็เรียนมาจนเช้าทั้ง1ิประการหนึ่งต้องได้พบกับครูบาอาจารย์สองได้ฟังท่านสอนสามได้ทาตามที่ท่านบอกสี่ 4, แล้วก็เอามาทำอย่างถูกต้องแล้วก็เข้าใจนะมันก็จะเกิดประโยชน์ตรงนั้นดังนั้นในในวิธีการหลงพ่อเทียนก็จึงไม่ยากสั้นๆแค่นี้แหละไม่ต้องไปเรียนปยะดสามปีหปีเจ็ 7, ปีอย่างคนเขาเรียนกันเรียนแค่นี้เข้าใจแล้วไปทาได้เลยนะแต่ว่า การที่เราจะเอาไปทําได้ตลอดรอดฝังต้องมีคุณสมบัติให้อย่างหนึ่งต้องมีศรัทธาที่ก้าวมาแล้ว 2. ต้องมีความเพียรความขยันหมั่นเพียรต้องลงมือทําส่วนจะทําได้แค่ไหนได้2ระดับ1ทําในรูปแบบเวลาเรามีเวลาว่างก็ไปนั่งสร้างจระเขเดินจมกลม 2. ทํานอกรูปแบบเวลาจะไปเก็บไปกวาดไปทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูทําครัวห้องน้ําทําอะไรต่างเนี่ยแล้วตามกําหนดไปเรื่อยๆ ทำได้สองระดับสองระดับนี้อันไหนง่ายกว่าระหว่างนอกรูปแบบกับในรูปแบบอันไหนง่ายกว่าฮะอ่ามันมีสองพวกพวกที่ทำเป็นเข้าใจทำนอกรูปแบบง่ายกว่าพวกที่ยังทำไม่เป็นไม่เข้าใจทำในรูปแบบง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าใจนี่ไปทำนอกรูปแบบมันลืมไปเลย จับไม่ได้เพราะความเคยชินมันสูงแต่เพราะว่าดลูกแบบนี้มันกำหนดดูดได้ง่ายนี่สำหรับที่เรายังไม่เข้มแข็งนะสติไม่สาหรับคนที่สติเข้มแข็งเราไปทำลูกแบบได้ตลอดแต่ว่ามันน้อยคนที่จะทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถูกความเคยชินครอบงำมาตลอดชีวิตจู่ๆจะไปทำอย่างมีสติเนี่ยยากมันจะต้องฝึกฝนมานานพอสมควรมันจะเกิดความชนานาญนะดังนั้น การฝึกฝนด้วยสติสองรูปแบบนี้ให้เราไปสังเกตตัวเองทีละชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราทําตามสัญชาตญาณกี่นาทีทําตามสติปัฏฐานกี่นา ท, ท, าาน ท, นาทีพอจะตรวจสอบได้ไหมชั่วโมงมันเยอะไปเอาครั้งละหานาทีสินาทีก็แล้วกันในห้านาทีที่ผ่านมาเนี่ยฉันทําตามสติสัญชตาตญาณหรืสติปัฏฐานเนี่ย เท่าไรจะตรวจสอบแบบนี้ไหวไหมเออถ้าตรวจสอบแบบนี้ได้จะเห็นความก้าวหน้าก้าวหลังชัดเจนเลยนะเอาละต่อมาเมื่อเรารู้เรื่องรูปนามแล้วนี่เราจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งรู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างไรนะเราทำอะไรมาก่อนผิดพลาดอย่างไรเข้าท่าไม่เข้าท่าเราจะเริ่มเป็นคนไม่เข้าข้างตัวเอง ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะเราจะไม่เข้าข้างตัวเองเราจะมองตามความเป็นจริงคือเราจะมองเป็นกลางเรามองเห็นระหว่างความรู้สึกตัวกับความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณออกชัดความรู้สึกตัวที่เป็น ส, นสติกับความรู้สึกตัวสัญชาตญาณออกในการชัดที่แล้วมาเราตามความรู้สึกที่เป็นสัญชตาตญาณมีอะไรผิดพลาดเยอะแยะจนเราจำไม่ได้แต่วันนี้ พอเราได้สติพเพราะได้เรียนรู้สติปัญญายาแล้วเราเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราทํามาที่แล้วมันผิดพลาดอย่างไรเราเริ่มแก้ไขใหม่เริ่มแก้ไขเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเกิดการแก้ไขนะเกิดการแก้ไขตัวเองคนไหนที่เดินเร็วก็เริ่มเดินช้าลงคนไหนเดินตีนเท้าหนักก็จะเดินเบาลงคนไหนที่ ขี้บนก็จะบ่นน้อยลงคนไหนนอนตื่นสายก็ตื่นเช้าขึ้นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนไหนกินจกุกินมากก็จะกินน้อยลงนะคนไหนชอบกินอร่อยก็กินอาหารธรรมดาคนไหนชอบประดับตกแต่งก็ประดับตกแต่งน้อยลงอย่างเงี้ยอันนี้มันจะคือการเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่เกิดปัจเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถึงรู้อะไรก็ไม่ยงังชื่อว่าไม่รู้เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะมีการแก้ไขเราจะรู้ว่าการปฏิบัติที่ได้ผลและไม่ถุนอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถ้าปฏิบัติได้ผลมากการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เป็นสัญชาตญาณมาเป็นปัญญาญาณเปลี่ยนแปลงได้มากเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติมาทั้งนานการเปลี่ยนแปลงมีนิดหน่อยไม่มากไม่ชัดเจนอันนี้เรียกปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะการเปลี่ยนแปลงไม่มีเราจะรู้ว่ามันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ตรงที่ว่า เราปฏิบัติเข้าใจมากหรือเข้าใจน้อยนะเอาละทีนี้เรารู้รูปนามก็จิตก็เปลี่ยนครั้งที่หนึ่งก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นคนรู้เนื้อรู้ตัวเปลี่ยนจากคนที่เคยหลงลืมสติไม่ได้ดูตัวเองดูแต่ภายนอกกลับมาดูตัวเองมากขึ้นการที่จะไปใจใส่เรื่องภายนอกกลับมาเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น แล้วก็ไปใจใส่สิ่งที่รอบๆตัวได้ได้มากขึ้นเามื่อก่อนคิดแต่เรื่องไกลตัวแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นใกล้ๆเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้าใจรูปน้ำแล้วกลับไปบ้านเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยรกลุงลางก็จะสะอาดขึ้นที่นอนหมอนม้งไม่เคยพับไม่เคยเก็บก็จะสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะถ้วยโชทําในครัวอะไรที่มันเคยเกะกะสกปรกลูกลุงลางมันจะเป็นเรียบร้อยกว่าเดิมนั่นเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับต้ น, ตน อันนี้เป็นตัวดัชนีนนะว่าใครมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเพราะตัวนั้นมันจะช่วยให้เราได้เห็นความไม่มีระเบียบเรียบร้อยใกล้ตัวก่อนแล้วก็จัดเหมือนกับเรามาจัดความเป็นระเบียบของตัวเองอยู่ที่เนี่เราจะระเบียบเม่อก่อนเวลามานั่งระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ก็ไม่มีนานๆางนี้นะเราทําไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราทําได้เมื่อก่อนเราจะมานั่งทานข้าวโดยไม่คุยกันสักคําเลยเนี่ยทําไม่ได้ใช่ไหม แต่เดี๋ยวนี้ทําได้เมื่อก่อนเราจะมันอยู่มานอนที่มีห้องส้วมไม่สะดวกมีที่นอนไม่สะดวกนี่เราทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงทําได้นี่มันจะเริ่มมันจะเริ่มฝึกฝนจากตัวนี้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี่สนุงใส่เสื้อใส่ผ้ า, า uh, ไม่ได้ซักไม่ได้รีดสาวันหวันนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทําได้เมื่อก่อนนี่นั่งไหนนอนไหนไม่ได้ต้องมีที่ดีๆแต่เดี๋ยวนี้นั่งไหนนอนไหนก็ พอทําได้นะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับต้นอะไรที่เคยติดเรื่องบูรีกัญชยัยยาเสพติดอะไรต่างๆของนอ้นองๆมันก็จะค่อยๆอ อ, ออกไปนี่การเปลี่ยนแปลงระดับต้นเรียกว่าเอาใบายมุกออกไปได้ความเคยชินต่างๆนะทั้นั้นในเรื่องรูปนามเบื้องต้นได้ระดับนี้ทีนี้ขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งรูปนามเบื้องสูงขึ้นไปนะรูปนามที่สูงขึ้นไปรู้อะไร รูปน้ำที่สูงขึ้นไปก็จะทำให้เราไปรู้เรื่องของเหตุเกิดทุกข์นะรูปน้ำเบื้องต้นให้รู้เรื่องทุกข์แล้วแก้ไขทุกข์ให้เป็นข้างนอกง่ายๆเนี่ยพอแต่พอไปรู้ระดับสูงขึ้นไปรู้เหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ที่ใกล้ตัวที่สุดอยู่ที่ไหนเหตุเกิดทุกข์ที่ใกล้ตัวที่สุดอยู่ที่ไหน อยู่ที่รูปกับนามอ่ารูปกับนามนี่เองกับมาหารูปนามแล้วก็จะมาดูแลมาขจัดต้นเหตุของรูปนามได้จริงจังขึ้นอเมื่อก่อนนี่เราเห็นว่าตัวทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราเนี่ยเป็นตัวเราแต่พอมาเข้าใจเหตุของทุกข์เราเราจะเห็นว่าตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวใครเป็นตัวอะไร เป็นตัวนี้จังทุกข์ขันธนาตาอย่าลืมสูตรนะมันเป็นตัวนี้จังไม่ใช่ตัวเราตัวเนี่ยไอตัวเรามีไหมไม่มีมันเป็นนาตามันเปลีป่ยนแปลงเราตั้งอยู่บนฐานของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเดี๋ยวนี้เลือดลมในตัวเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ได้ไหมไม่ได้ตายทันทีเลยนั่นแสดงว่าเราอยู่ได้เพราะการเปลีป่ยนแปลงสองถ้าหากในร่างกายของเราเนี่ยไม่ทุกเลยเนี่ยเราอยู่ได้ไหม ไม่ได้มันจะต้องมีการทํางานของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงใช่ไหมเกิดมีการเคลื่อนไหวเกิดมีหนักมีเบามีสบายไม่สบายทุกขก็ต้องมีนะสถ้าหากว่าของเก่าเข้าไปแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแตกดับเราอยู่ได้ไหมนั่นหมายความว่าอาหารมันไม่ย่อยเพราะมันเป็นอัตราอยู่ยงั้นแหละอะ กินกินไปเท่าไหร่มันก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีไม่มีการย่อยทั้งสิ้นมันเป็นอันตาอยู่ได้ไหมอ่าไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตัวไอ้การเปลี่ยนตัวเป็นรูปใหม่คือเรื่องมันเป็นอนัตตามันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนเป็นตัวตัวใหม่อาหารที่เข้าไปมันเป็นตัวเดิมพอเข้าไปปั๊บมันเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมเปลี่ยนตัวเป็นอะไรจากอาหารทั้งหลายเปลี่ยนตัวเป็นอะไรเป็นเลือดอ่าเป็นเลือดเป็นวิตามินโปรตีนไปไขมันการ์โบไฮเดรอะไรก็แล้วแต่ น่นมันเปลี่ยนเป็นรูปอย่างนั้นเป็นนิวทริชั่นทั้งหลายอ่าเสร็จแล้วก็ออกมานี่ยมันอาหารมันเดิมไหมไม่มันเป็นอะไร <laughs> เป็นอาหารเก่าแล้วอ่าจากที่มันหอมชวนหอมหวมฉวนกินแต่ตอนเข้าใช่ไหมตอนออกเป็นไงบ้างหอมหวนฉวนกินไหมโอ้เนี่ยเพราะมันเป็นอนัาตามันเปนลี่ยนรูปอะเห็นไหมเราเห็นอนัาตาชัดเลยใช่ไหมเออมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆอะ่ะเพราะตัวตนเข้าไปกับตัวตนออกบ้าบอคนละอย่างเลยอะ่ะ เออมันเปลี่ยนได้ถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมโอ้โหอันเนี้ยแต่มันให้เราศึกษาทุกวันแต่เราเคยดูมันบ้างไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะปัญญายามันยังไม่เกิดนะเอ่อรีบถ่ายแล้วก็รีบหนีแล้วนะอ่าแต่ว่าหลังจากที่เราปฏิบัติรรมแล้วถ่ายแล้วเราจะเอามาวิจัยเวลาไปล้างพิษเขาให้วิจัยอุจจาระนะ <c oughs> เอ้าลองๆองไปดูผู้เก็ตเนี่ยเข้าคอละมือเนอะ่ะ ล้างพิษตับแล้วเนี่ยอุจละออกมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาจะไปดมดมแล้วดูว่าคนเนี้เป็นโรคอะไรบ้างอถนัดในเรื่องดมดมแล้วรู้เลยว่าคุณนี้เป็นโรคอะไรอ่าเมื่อก่อนมินีิใช้โรคด้วยการตรวจนั้นตรวจนี่ไหมไปดิไม่เชื่อไปมาไปที่เกาะภูเก็ตตรงนั้นเขาเรียกว่าอ่ารีสอร์ารีสอร์ททุกคุณอะไรสักอย่างเนี่ยมาจําชื่อเขาไม่ได้แล้วนี่น เข้าไปเอามาจะไปเข้าที่แล้วว่าจะไปเข้าคอร์สนี่แหละแต่พอดีญาติที่ทำทางสุราษฎร์บอกว่าหลวงพ่อไม่ไปนั่นมันแพงว่างั้นเต็มหนกว่ามาทําที่ฉันพวกฉันทําให้ฟรีเลยไปเข้าที่ชุมพรเออไม่ต้องเสียตังค์นะเอาเพราะว่าตางนั้นพวกชุมพรเขาเป็นเป็นนักปฏิบัติของเราเข้าคอร์สกับเราเมื่อก่อนนะเขาก็ไปจัดล้งพิธีนั่นเขาก็เลยไปให้บอกว่าไม่ต้องไปเอามาเก็บได้ให้เข้าดมบูราลแล้วตอนนั้นนะอาจารย์อาจารย์ดวงศีลไปครั้งที่สองแล้วนะอ่าที่ภูเก็ตอะ คนละหมืน่นแต่พระฟรีเออพระฟรีแต่ญาตโยมเนี่ยเป็นคนเละหมืน่นแล้วพอเราถ่ายออกมาเวลา้างพิษตับคนถ่ายออกมาเนี่ยเขาจะเอาเก็บอุจระมาวิจัยแล้วมาวิเคราะห์โลกของเราว่าเราไปโลกอะไรบ้างแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราเควรจะทําอ่ากี่ครั้งทําอย่างไรเพราะฉะนั้นใครต้องการที่ไปอ่าเรื่องนี้นะไปที่เกาะภูเก็ตได้เลยนะที่ที่เขาจัดคอร์สอยู่ <c oughs> มาจําชื่อในรีสอร์ทของคุณอะไรไหนสักอย่างเนี่ยนะ ที่เหมือนการในสามผันเดี๋ยวนี้คอดลสร้านพิธามแพงๆเท่านั้นอันนั้นคือเราจะเห็นถึงความเป็นอณิจังของร่างกายว่ามันเข้ากับออกไม่เหมือนกันมเป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงอนิจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาถ้าไม่มีการถ้าในร่างกายของเราไม่มีการขบวนอณิจังทุกข์ังอนัตตาเนี่ยเราก็เกิดมาไม่ได้เราก็พัฒนามาถึงปัตนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งคุณและโทษแล้วแต่ว่าเราจะใช้มันถ้าเราใช้ไม่เป็นเราไปรังเกียจโทษรังเกียด ทุกที่มันเกิดขึ้นกลัวทุกที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นโทษกับเราทําให้เรากลัวทําให้เราเกิดกิเลสป้องกันตัวเองด้วยสารพัดอย่างแต่ถ้าหากเราใช้เป็นคุณก็คือพอเรามาเจริญสติปัญญายาเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตา ม, มาเป็นตัวไตรรักไตรสีขาอย่างที่กล่าวมาตอนเช้าว่าอ น, นิจจังถ้ามีสติกําวนรู้กลายเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นศีลใช่ไหมทุกขงังถ้าหากมีสติกำนวนรู้เปลี่ยนมาเป็นสมาธิ แล้วก็อนนาตาถ้ามีสติกําหนูรู้มันผปลี่ยนาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสัสมผัสปัญญาก็มาจากอานิจจังทุกขังนาตานั่นเองนี่เมื่ออย่างนั้นเราก็รู้จักอนิจจังทุกขังนาตาเพราะผ่านสติตัวเดียวเพราะสตินี่จะไปแปลงอนิจจังทุกขังนาตาให้เป็นศีลสัสมผัสปัญญานี่เขาเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเกิดแล้วเรียกว่ารูปนามขั้นสูงถัดจากนี้ไปมันจะทําให้เรารู้จัก นรกรู้จักสวรรค์เห็นนรกเห็นสวรรค์ถ้าเห็นนรกเราก็จะไม่กลัวนรกแล้วทีเนี้พอเรารู้ว่นานรกที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนคืออะไรเมื่อก่อนเรากลัวนรกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังกลัวอยู่ถ้ายังไม่มรู้จักรูปนามขั้นสูงเนีนยังกลัวนรกอยู่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเห็ุมันมาจากไหนใช่ไหมแต่พอหลังจากเข้าใจรูปนามขั้นสูงเรารู้ว่านารกมาจากไหนนรกมาจากอะไรอามาจากนามรูปนั่นเองอ่าจากนามรูป นามรูปมันขยายมาเป็นกิเลสตระกูลต่างๆใช่ไหมล่ะมันก็พาวไปนรกเพราะนั้นเราก็มีสติกําหนดที่นามรูปที่มันเกิดปั๊บนรกเกิดไม่ได้แล้วเพราเรารู้เหตุของมันนะพอกําหนดตรงนั้นปั๊บนรกก็กลายเป็นอะไรไปนิพพานเออไม่ไปสวรรค์ไม่เอาเอาลงทุนขนาดนั้นจะ่าไปเอาสวรรค์อยู่เมื่อขาดทุนนะนี่เพราะอะไรพอไปสวรรค์เนี่ยก็กลับไปนรกอีกอะเอไปนิพพานเลย กำลังรู้สวรรค์ก็ไปนิพพานกำลังเดินรถก็ไปนิพพานเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตรงนั้นมันไม่จบน ะ, ะเมื่อมารู้อย่างนี้เราจะรู้จักศาสนากับพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรศาสนาทั่วไปคือเขาสอนกันทั่วไปนี่แหละเรื่องสอนศาสนาแต่พุทธศาสนาจะสอนเรื่องอะไรรู้ไหม น, นั่นผู้รู้พู้ดแสดงพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องอะไรสอนอยู่สามเรื่องสอนให้คนรู้สอนให้คนตื่นสอนให้คนเบิกบา น, บานอ่า แค่นั้นเองถ้าหากว่าสอนแล้ไม่รู้ไม่ตื่นเบิบานอันนั้นยังไม่ได้สอนพุทธศาสนานะสอนแล้ยิ่งหลับไหลไปเรื่อยๆนี่นะสอนแล้วให้เกิดครั้งศักดิ์สิทธิ์สอนให้เกิดคาถ า, ามลยาครั้งมลยานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้สอนพูดลสอนพราหมณ์แต่สอนพูดต้องทําให้คนตื่นตัวรู้ตัวให้คนฉลาดขึ้นให้คนเบิกบานมีความสุขมากขึ้นถ้าเป็นพุทธนะอันนี้เรียกว่าพุทธศาสนากับศา ส, สนาแยกกันตรงนี้เองเราจะมารู้แล้วก็มารู้แล้วนรก นิพพานมันก็อยู่ตรงใกล้ๆเหล่านี้เองเราทําได้บุญกระบาบเราจะรู้จักบุญกระบาบรู้จักบาปแล้วมันจะไม่กลัวบาบเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าบาปมันเกิดจากอะไรแต่เมื่อก่อนที่เรากลัวบาบเพราะไม่รู้ว่าบาบมันเกิดจากไหนใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าเป็นบาปก็ไม่ทําอ่ะแต่ความจริงมันเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเรามาเข้าใจตรงนี้เรารู้อ๋อบาบที่แท้จริงคืออะไรก็คือความไม่รู้เนี่ยเป็นบาบเราก็ตัด ตัวไม่รู้ออกมาใส่อะไรเข้าไปแทนใส่ตัวรู้เข้าไปแทนก็เป็นบุญแล้วนี่เห็นไหมเอาบุญก็ง่ายขึ้นอยู่บ้านเอาบุญได้ไหมได้ทำตัวรู้เยอะๆมาวัดเนี่ยเป็นบาปได้ไหมไ ด, ได้โดยที่ไม่รู้สึกตัวพูดโดยไม่รู้สึกตัวทำโดยไม่รู้สึกตัวมาวัดก็ได้บาปแต่อยู่บ้านเรารู้สึกตัวได้บุญมาวัดรู้สึกตัวด้วยก็ได้บุญเยอะเข้าไปอีก เห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปอยู่ที่ความรู้ตัวกับไม่รู้ตัวหรือวิชาอวิชาเท่านั้นเองนรกสวรรค์ก็อยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่อยากไปนรกก็มีสติเยอะๆะใช่ไหมแล้วอยากไปนิพพานมีสติเยอะเยอะแต่ถ้าหากว่าเรากลัวนรกอยากไปนิพพานแต่ไม่ยอมทําความรู้สึกตัวเลยมันจะไปได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําเหตุของมันนะอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญเป็นไงยุงพอทนไหวไหม ถ้าทนไหวจะได้ไม่ย้ายเรียกว่าม้วนเดียวจบที่นี่เลยไม่ต้องเข้าไปในสไลด์อีกเอาละ่ะก่อนที่จะไปสู่ก้าวต่อไปเปิดโอกาสให้ถามปัญหาก่อนเไาจาย์ตรงนี้ไม่มีไฟที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดในเรื่องรูปน้ําเนี่ยอันนี้จะจบรูปน้ําแล้วนะเรียงอารมณ์ให้ให้ฟังก่อนวันนี้ไม่มีอะไรสงสัยแสดงว่าเข้าใจหมดใช่ไหม เ, เข้าใจ หรือไม่เข้าใจเลยเลยร่างคำถามไม่ถูกเเออเอาให้ดีนะเชียร์ดิอ่านโฟร์จูเนลเลยวีทอลเกี the the h e r of suffering every day we we talk the same thing but different different case a different example with different situation only that yeah we talk about the the h e r of suffering caused from we don't have the Uh, energy of mindfulness to aware of the changing suffering and pass away. So, when we don't have such a, a mindfulness, that the cause of suffering. When you try to awake, you try to aware yourself. That is the cause of non-suffering. You can do that all the time. So don't worry about what I'm talking about. <laughs> the same thing. Okay. Then we will see that. เรื่องนี้ไม่ยากแต่ที่มันยากหนึ่งศรัทธายังไม่มั่นคงสองความเพียรยังไม่แน่นอนใช่ไหมสามสติความรู้สึกตัวยังไม่ยังไม่ชัดเจนยยังไม่ชำนิชำนานนะเพราะนั้นสติในวิปัสสนานั้นมันไม่เหมือนสติสมถะสติในวิปัสสนานั้นสมมติว่ามาถามว่าตอนนี้ยมรู้สึกอย่างไรยมบอกทันทีได้ไหม ถ้าไม่รู้จักพิปัสนาก็บอกทันทีไม่ได้แต่ถ้ารู้จักพิปัสนาจะบอกทันทีตอนนี้ฉันหนักอตอนนี้ฉันอึดอัดนิดหน ой, อ่อยตอนนี้คันนิดหน่อยอยู่รบกวนตอนนี้ปวดหลังนิดหน่อยใช่ไหมมีไห ม, มอ่านั่นนะของจริงเลยอ่ะนั่นแหละนั่นคือตรงเลยปวดขาปวดขาเนี่ย น, นะเป็นวิปัสนาแล้วเพราะฉะนั้นตัวปัจจุบันขณะนั่นแหละเป็นตัวอารมณ์วิปัสนา เพนอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามรู้มันไปเรื่อยนั้นได้ทําวิปัสนาแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปรู้ในลักษณะเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เป็นอ่าตรงนี้สําคัญถ้าเราไปเป็นผู้รู้เป็นวิปัสนาถ้าเราไปเป็นผู้เป็นเป็นอะไรเป็นปัญหาเออมันเป็นปัญหาคนเลยเรือเป็นปัญหาเราไปเป็นทุกข์สินี่ ใช่ไหมเราเป็นผู้คันใช่ไหมเราเป็นผู้เจ็บใช่ไหมเราเป็นผู้ปวดใช่ไ่มเราเป็นผู้ชอบเราเป็นผู้ไม่ชอบเลยนี่อตรงนี้เป็นปัญหาเลยใช่ไหมมันก็จะเกิดงุู่หิราคัญพระอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่เนาะไม่เข้าใจเลยเ อ, อะไรไมาพูดเนี่ยจะงุู่หิราคันละปัดก้นลูกนี้เลยเนาะ <laughs> นี่ขเขาเรียกเป็นปัญหาล <laughs> <laughs> ะเพราะฉะนั้นแต่พอเข้าใจแล้ว มันเกิดความเข้าใจโอ้เราเห็นทุกแล้วเนี่ยพระอาจารย์พูดเข้าใ จ, ใจแจ่มแจ้งเลยอ่าไม่มีปัญหาต้องถามเลยนี่นี่เขาเรียกวเป็นวิปัสนานอันนี้เป็นวิปัสนาใช่ไหมชัดเจนเลยดังนั้นนมามั่นใจว่ายมจะเข้าใจได้เพียงแต่ไปทำสองเรื่องนะ่ะทำเรื่องมันรู้ตัวก็ไม่รู้ตัวแต่เราจะป้องกันไม่ให้มันหลงเลยได้ไหมให้รู้ตัวอย่าเดียวตลอดได้ไหมได้ไหม ไม่ให้ม้มันเผลอเลยอ่ะให้มารู้ตัวตลอดเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมาคู่กันถ้าเราไม่ไม่หลงเนี่ยเราจะรู้ไหมไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เลยมันจะมีหลงไหมไม่มีมันต้องรู้แล้วมันก็ต้องหลงเพราะอะไรเพราะรู้เป็นเกิดหรือเป็นดับหลงเป็นเกิดหรือเป็นดับเอาละเอาละทีนี้ข้อสอบสำคัญ รู้เป็นเกิดเป็นดับหลงไปเกิดแล้วเป็นดั บ, ดบเอาให้แน่เอาให้แน่ชักประเด็นชักแยกกันแล้วนี่เอาคิดด้ก่อนติ้งแครฟูลี่หลงเป็นเกิดรู้เป็นอ่าใช่ได้นี่อย่าใช่ชูย่าใช่ชูตัดสินแล้วหลงเป็นเกิดรู้เป็นดับ <laughs> ใช้ได้รู้ มันทําให้อะไรดับอวิชชาดับหลงทําให้อะไรเกิดหลงทําให้อะไรเกิดอวิชชาเกิดอ่าอาวิชชาเกิดก็ทุกเกิดใช่ไหมอวิชชาดับก็ทุกดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีเกิดก็ดับเพราะฉะนั้นเวลาเราหลงก็ให้รีบรู้ใช่เปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ใช่แต่อย่าไปห้ามความหลงไม่ได้เพราะมันอยู่กับเรามาตลอดอ่ะแต่เรามีนหน้าที่รู้มันมมีหน้าที่หลง ใช่ไหมเรานับหน้าที่ของวิชามันก็ทําหน้าที่ของวิชาถ้าไม่มีอวิชานะวิชามีได้ไหมไม่ได้เพราะวิชาก็มาจากอาวิชาเนั่นเพียงแต่ว่าอ่างออกเท่านั้นเองใช่ไหมเออไม่ยากเลย <laughs> พราว่าอางออกเป็นเป็นวิชาเลยใช่ไหมเออพอเอาแต่าอามัเข้าไปมันเป็นอวิชาทันทีเห็นไหมพอเอาหลงเข้าไปมันก็อ่ารู้ดังนั้นรู้กับหลงมาด้วยกันถ้ามีแต่เกิดอย่างเดียวไม่มีดับเป็นไปได้ไหม ไม่ได้ถ้ามีดับอย่างเดียวไม่เกิดเลยเป็นไปได้ไหม<ด>หายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกเลยได้ไหม<ด>ไม่ได้หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าได้ไหม <c ười> ไม่ได้มันผิดกฎธรรมชาติเพราะนั้นรู้ ก, กับหลงมาด้วยกัน <c ười> อย่าไปกลัว <c ười> ว่าไงพนิพาะมเกิดมดับบอกฮะพันิพาอวิชาบอกพนิพานิพานิพานิ <c ười> นพ า, พ า, พาไปเกิดหรือเป็นดับไม่ใช่มันไม่เกิดมดับบอกอ๋อนิพานอยู่เกิดเหนือเกิดเหนือดับไง เออไม่มีเกิดแล้วไม่มีดับแล้วพอรู้ปับ๊บถ้ามันยังหลงมาอีกนะก็ยังนิพพานไม่ได้ถ้ารู้ปับ๊บหลงไม่เกิดขึ้นเลยนิพพานถ้าจะรู้แล้วหลงหลงแลง้วรู้ก็เป็นมรรคไปเรื่อยๆตามรู้ตามหลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรไม่มีรู้ก็ไม่มีหลงไม่มีหลงก็ไม่มีรู้เป็นนิพพานไปเลยสนิท อวิญญาณก็เป็นตัวรับรู้การมีอยู่ของการดับเท่านั้นเองรับรู้วิญญาณกับสติอ๋อคนละประเด็นกันอ่าสติก็เกิดจากวิญญาณ น, นั่นแหละอ๋อ <c oughs> อ๋อนั่นก็จะเป็นภาษาสมมติเฉยๆภาษาสมมติเพราะฉะนั้นยานคือสติพอวิญญาณมันรู้หลายอย่างยานตัดวิออกซะ ถ้ารู้ทั่วไปนะรู้ทั้งภายนอกภายในเนี่ยกระทบกันเป็นวิญญาณตากระทบรูปเกิดวิญญาณใช่ไหมอพอเรามีสติกําหนดรู้เป็นญาณวิญญาณหมดหน้าที่ไปแต่ถ้าหาไม่มีสติกําหนดรู้มันก็ยังเป็นวิญญาณเหมือนเดิมมแล้วก็มาดับไปเราจะเปลี่ยนวิญญาณให้เป็นญาณก็ให้มีสติตามรู้กลายเป็นญาณปัญญา อ๋อนั่นวิญญาณนอกพุทธศาสนาไม่ใช่วิญญาณในพุทธศาสนาอวิญญาณในพุทธศาสนาเราใช้ว่า consciousness ไม่เป็น spirit ไม่เป็น soul ไม่เป็น soul ไม่เป็น spirit ไม่เป็นแต่ว่ามันเป็น conscious บริรรี conscious mental c o n s c i o u s เอาตัวรู้สึกเนี่ยเป็นวิญญาณในพุทธศาสนาแต่ถ้าหากเป็นโซ u ล่องลอยมานี่ไม่ใช่ละ เป็นลพยานอกพุทธศาสนาถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาให้ชีขึ้น่อได้วันนี้เจ้าจะไปตางประเทศหรือไปตางหลัดเนี่ยเจ้าส่วนใหญ่เจ้าซื้อตัว๋วเครื่องบินสั้นไหนก็บอซื้อตัว๋วนึ่งลด ออนั่นะมันแพงเออเขาไปสั้นสวรรค์สูงๆมาได้ราคามันแพงเออเพราะฉะนั้นต้องไปหาเงินหลายๆต้องไปหาบุญหลายๆกุศลหลายๆมันถึงไปชั้นสูงได้เออาทำบุญหลายๆขึ้นไปสวรรค์สั้นสูงถ้าบุญน้อยมัไปสวรรค์สั้นต่ำเหรอกะรนั้นนการมดเงินมันก็ต้องลถเครื่องเลยเออเออท่านที่จะไปเครื่องเราไปรดเราบนอย่างเงินบรพออ่ะ เอาก็ถ้าหากว่าเป็นเทวดามีสองพวกเด้อฟังเลยเทวดามีสองพวกเทวดาสมมติทิถิกเทวดาสมิชัยทิถิเทวดาบางพวกเป็นมิชัยทิถิเวลาไปสุขสบายแล้วเอาเงินเอาท้องไปกินไปเล่นไปมวนสนุกสนานให้ห้าพวกนี้ตกจากสวรรค์แล้วไปในโลกโลกนะเทวดาบางพวกเป็นสมมติทิถิเวลาได้ไปอยู่สุขสบายแล้วทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนาอย่างมูเจ้านี่ไปนิพพานเทวดาพวกนี้ ไปสวรรค์ไปนิพพานเพราะฉะนั้นเจ้าอยากจะเป็นเทวดาไปนิพพานกัเหตุวิพิสณาหลายๆพ่อจะเป็นสมาธิทียนะนั่นถ้าเหบุญโอก็ไปเกิดด้เหตุบุญโตถ้าเหตุบุญนั่นก็ไปเกิดสวรรค์โตแต่วรรมเห็ุพิพิชณาเราไปนิพพานโดนนะถามเจ้ากันนะเวลากินน้มเนี่ยมันมีอยู่สองน้ำเนาะอ่าหนึ่งน้มหอน สางน้ำเย็นสามน้ำธรรมดามีสามน้ำตามบุติเจ้ากินน้ำอะไรหนึ่งน้ำเย็นที่ใส่กตู้เย็นใส่น้ำแข็งสองน้ำห้อนที่ต้มมาสามน้ำธรรมดาที่อยู่ในขวดบริตมบใส่ตู้เย็นเจ้าชอบน้ำอะไดเจ้ามากทีกินน้ำอกินน้ำเย็น น้ำเย็นไอ้ตู้เย็นเนี่ยน้ำเย็นน้ำแข็งอ่าอันนี้ที่ถามนี่เถ้าหากว่าเรามักน้ําเย็นเหมือนเขาว่าเรามักไปสวรรค์เราหมักน้ําห้อนก็หมักไปนรกถ้าเรามักน้าธรรมบารดาว่าไปนิพพานเอ่าน้าธรรมบารดาน่านั่นแหละนิบาดมันมมีเย็นบัมีห้อนสวรรค์คือมันเย็นนรกมันห่อนแต่วนิพพานมันบ o t h ห่อนบ o เย็น โอ้เอาไปยังไงโดาบันนี่เอาไปซื้อเข้าซื้อของได้บ่คือจะบอกว่าหันดโดาบันนี่ไปยัหอเออมันยากอันดียโดาบันเดีโสดาบันนี่เพ่นว่านึงเห็นเจ้าของแล้วก็บหยุด มันถือมันนะเจ้าของผู้ใดจะด่าจะว่าก่เ์เซยผู้ใดจะตบจะตีก่เซย์ผู้ใดจะไปเอาเงินเอาท้องไปใ่ก่เซยอย่างนี่นะให้ทานไปหลดีทีนะไหวบ่ไห ว, ไ, หว <laughs> ได้อยู่ขั้นที่นึไดไ้ขั้นที่สองอบ่ยสงสัยว่าพระพูดว่าท่ามาสงมีจริงบ่หรือว่าโดนหลอกในโกสวรรค์มีจริงบ่หรือเขาครูเอาไว้พูดแล้วก็เรื่องวิญ ญ, ญาณไปเกิด ฉะนั้นฉนี่สงสัยบอมีอิริบอมันสินะสงสัยเรื่องแล้วนี่ถ้าบอสงสัยอ่าได้สันที่สองแล้วโซดาหวานชั้นที่สองอ๋อเดียวได้ม เ, ม เ, มเมด็กเ <laughs> ออเจ้าบอสงสัยเรื่องมั้ยนี่สมโซดาวันชั้นที่สาด้วย ส, สอ่าเฮ็ดดีแล้วผู้ใดว่าบอดีก็บบอมขีดอ่าปฏิบัติทาไปแล้วผู้ใดว่าเจ้านี่บ่ คือโบได้ปริบาตทับจังเือเนาะก็บอเครียดแล้วเวลาไปเหตุอยู่กับบ้านเขาว่าอันนั้นอันนี้ให้ก็เฉยเฉยบโไปยึดดีโอ้ยเฉยเฉยชูนี่โบเป็นทาเนาะปฏิบัลมาเทิดดนโบเป็นเรื่องไปเล่าเลยจรงจีินะยังยิ้มได้อยู่เอออันนี้แสดงว่าเป็นโซดาบันชั้นสามแล้วมีสามสั่นเออมีเท่านั้นเออมีสามยางเท่านั้นโรคโกหลงก็ยังมีขึ้นเขาน่ะพระโซดาบันนะแต่มันละได้สามยางนี่หนึ่งบถือเนื้อถือตัวว่ สองบูสงใส่เรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องพระพุธทธธรามประสงค์สบูยึดดีบูยึดดีบูถือดีบูข้องดีบูติดดีเวลาผู้ไดมาว่าอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเจ้าของกระบอเคียดผู้ได้มาว่าพุทธศาสนาบุดดิสันกรบอเคียดผู้ได้มาว่าเจนะ้าโบมีศีลโบมีธรรมกรบอเคียดจริงจริงนะบูดียึดดีพู้ได้จะว่ายังได้กระสังันสห้ขึบไ จะขึ้นบนได้คือขึ้นบนพมิทุกสามย่างนี่แหละเออก็ไปปนิพานได้ยี่สิบเปอร์เซนโอ้ยังบัรทอเต็มยอ้อยี่สิบห้าเปร์เนน่ยนะเออสห้ซแต่ถ้าหากว่าได้สามย่างนี่ความโดดความโดดคนโกดคนหลงเบาหลงพอมบ่โลกโกดหลงบ่แหงคือเรา่ะนะเหลือคนงเหลือครึ่งนึ่งนี่ได้ทันที่สองเป็นสกิทาข้ามี่แล้วห้าสิบเซอ่า เนี่ยมันก็จะลาเป็นขัน้นเป็นขั้นหนึ่งเส้นไปบมเมนนี่ยเป็นโซดาบัตรเนี่ยนี่พาน์ตุบโบได้ได้คือเขยี่ห้าเปอ่าได้ออยี่ห้าเปอร์เซ็ตก็ยังดีกว่าโบได้ได้เป็นบ่อ่าก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็ได้เองได้ได้ข้าลมลุ่มน้ําชัดๆแล้วเนี่ยบุยสงศ์ใส่สามย่างเนี่ยก็ได้สโสดาบัตรแล้วแค่ล้มลุ่มน้ำนํำนี่นะแต่เป็นลูมน้ําที่หู่จักบุญหู่จักบาวหู่จักรนรกหู่จักสวรรค์ว่าบุญอยู่ทางได สวรรค์เหตุยังไดจึงอย่าไปสวรรค์เหตุยังไดอย่าไปนิพพานได้เนี่ยหูจากยังสี่เราเป็นพระโสดาบัแล้วแต่ยังสงสัยอยู่เอไปอีดีบ่นี่เออไปแทบบ่หวนววนเนี่ยยังบุหูจักบาปยังเหตุบาปอยู่คือเราเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังบุธันแมนเดะแต่หูจักบาปบาปเพื่อยังนะบาปคือความบุสบายใจบาปคือความเศร้าหมองใจล่ะถ้ามีความบุสบายใจขึ้นมาเนี่เท่าก็บออกได้จริงสินะความบุสบายใจเกิดขึ้นเท่าก็ออกได้หูจักก็ออกได้ นี่เรียกว่าแก้ไขเจ้าของได้ดังนั้นผู้จ้างรูมน้ํำโดยแก้ไขเอาเจ้าของได้เป็นพระโสดาบันโสดาปนาเปไปเข้าถึงกระแสกระแสอย่งกระแสของข้อมูลเมียกระแสของข้อมู้สึกโตใจมันบอแลนไปทั้งอื่นเมื่อแลนอยู่ในกระแสของข้อมูลเมียเนี่ยกำมาอยู่นี่เห็นอย่งก็กบมาอยู่นี่ในผู้เข้าถึงกระแสกระแสของข้อมูลสึกโตหูหนึ่งหูโตแต่ก่อนมันบอลแลนมัูวอยู่นี่เด้เมืนบ่ มันไปอยู่กระแสบนกระแสโลกกระแสวัฏสงสารนะแต่พอมาอยู่ในกระแสปัจจุบันนี่เอินกระแสพลันิพานได้กระแสตรงนี้แต่ยังบท่านได้ห้ามโลกโกหลงได้จักอยู่โลกหนจักอยู่แต่บุญหลบหลายคือเขาหลงกับหุ่นักอยู่แต่บุหลงหลายคือเขาโมโหกัจักอยู่แต่โมหหลายคือเขาอยงนีนะคิดมันมามหจักองีได้กระแสแล้วอ้าวมีปัญหาอะไรอีกต่อ ปัศนาแต่ยังพูดที่สมถะเนี่ยแล้วเขามันจะพูดถึงว่าการนั่งนั่งแล้วก็ได้ยานญานสีย่านแปดอะไรประเภทนี้รูปกับน้ำจะมีไหมคะอ๋อถ้าเป็นสมถะเนี่ยเขาจะไม่ต้องการรู้รูปน้ำเขาต้องการเอาความสงบเข้าชานสี่ฌานแปดฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานปัญจมฌานเขาก็จะไปถึงฌานนูนะ่นน่ะ เอาความสงบอย่างเดียวความสงบความสุขได้ฤทธิ์ได้เล็ดปฏิหารเข้าอั ป, ปนาเข้าอั ป, ปนาสมาธิขั้นสูงไปสามารถมีพลังมีฤทธิ์มีห่ะเหินเดินอากาศมีหูทิพย์ตาทิพย์ไปทางนู้นก็จะไม่รู้จากรูปนามพวกนี้เรียกว่าได้โลกิยาชานไม่ใช่โลกุตระชาญอย่างพระเทวทัตเนี่ยได้โลกิยาชานขนาดแปลงตัวเป็นอะไรก็ได้นะแปลงตัวเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ได้สามารถเที่ ลองหายตัวได้เปลี่ยนตัวได้ได้โลกีอิชานขั้นสูงแต่ก็มีโรค ก, กโลงเหมือนเดิมตกนรกคือกับเออตกนรกป่านนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะน่ะ <Okay. S 1> เทพทัอ่ะ mm hmm. ยังไม่ขึ้นเลยน่นได้โลกีอิชานเพราะฉะนั้นตัวสมถะจึงไปแค่พรมถ้าเป็นเป็นพรมมิจฉาทิถีก็ไปตกนรกอีกเพราะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนาสมถะ <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้น เขาเจะเอาความสงบและความสุขเป็นชั้นเป็นชั้นไปเขาไม่ต้องการรู้จักตัวเองไม่รู้จักการกายใจตัวเองแต่วิปัสนาต้องการมาดูา ใ, จจาใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมีฌานก็ได้ใครมารู้จกักแล้วก็สามารถละกิเลสเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปเข้าใจนะคนนั้นไม่ต้องไม่ต้องพยายามแล้วเป็นวิปัสนาพิจารณาตรรักษ์เหรอไหมอ่าอันนี้เขาเรียกเป็นธรรมวิจารณ์ไม่ใช่ธรรมวิจัยคิดเอา ะระบบคิดเอาเนี่ยมันเป็นตรร ก, กะเป็นปรัช ญ, ญาเป็นไซโคโลจีเป็นฟิโลโซเฟอเป็นปรัช ญ, ญาไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าธรรมวิจารณ์เป็นเหตุเกิดทุกข์แต่ธรรมวิจัยเป็นวิปัสนาธรรมวิจารณ์เป็นสมถะซึ่งมันออกจากความคิดไม่ได้มันเข้าไปในความคิดที่ดีพวกสมถะนี่ทําให้เกิดความคิดคิดบวกแต่บวกแล้วเวลาขาดสติมันก็เป็นคิดลบใช่ไหมแต่วิปัสนานั้นไม่ ต้องการบวกไม่ต้องการลบแต่ใช้ทั้งบวกทั้งลบใช้ให้เป็นประโยชน์แต่สมถะนั้นต้องการคิดแต่บวกไม่ต้องการคิดลบแต่วิปัสนาไม่เอาทั้งบวกทั้งลบแต่ใช้ทั้งบวกทั้งลบให้เป็นประโยชน์ต่างกันไหมอ่าต่างอันนั้นคือตัวปัญญาในสมถะไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ว่าวิปัสนาใช้ปัญญาที่จะใช้ทุกอย่างเป็นเพียงเครื่องมือไม่ได้ใช้เข้าไปเสพไปเสวยเป็นเจ้าของเข้าไปเป็นเครื่องมือเพื่อจะไป อบันเทาหรือขัดเกลากิเลดเท่านั้นอาใครมีปัญหาอะไรอีกมีข้อสงสัยไหมเพื่อจะได้ไปต่ออยซึ่งนิดนึ่งให้จบรูปนามเลยวันเนี้ยได้รูปนามสองขั้นแล้วนะรูปนามขั้นสุดท้ายยังไม่ได้พูดถึงรูปนามขั้นสุดท้ายนี่เป็นพระโสดานแบบบันนเลยยาเชยชูโดยแล้ว <c oughs> บันในความคิดเนี่ยมันจะของจริงของจริงต้องไปทำอีกเยอะทีเดียวแหะ ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องวิจัยตัวเองตลอดเวลาวิจัยการยืนวิจัยการเดินวิจัยการนั่งวิจัยการนอนวิจัยการกินวิจัยการอะไรก็ตามที่มันขยับเขยืนเคลื่อนไหวในทุกการแต่วิจัยในที่นี้ไม่น้นดึงไม่ไม่ได้หมายถึงคิดนะหมายถึงเข้าไปดูอาการของมันถ้าคิดเอาเป็นธรรมวิจารณ์แต่ถ้าเข้าไปรู้เอาเนี่ยเป็นธรรมวิจัยจะลุกก็รู้จะนั่งก็รู้ เวลานั่งเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเวลาลุกขึ้นอะไรเกิดขึ้นนั่งไปานานๆอะไรเกิดขึ้นการที่เข้าไปดูข้อมูลอย่างนี้เขาเรียกเป็นธรรมวิจัยทุกปัญญาก็จะเกิดตลอดปัญญาก็เกิดการวิจักการวิจัยเรียกว่าโยนิสโสมนสิการนะอั น, นั้นเองถือว่าตัวธรรมวิจยะมันจะเกิดต่อเมื่อทําให้สติตัวนี้ให้เป็นสติที่ตัวตื่นรู้เรียก ว, ว่าองค์ของโพชฌงนะ องค์แห่งการรู้รู้แจ้งคือตัวโพชทธชงทําสติให้เป็นโพชทธชงให้ได้คือสติให้มันตื่นชัดๆอ่ะสติที่มันอยู่ในตัวนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นสติปรดล็กข้างนอกใช่ไหมมีสติในการทําอะไรข้างนอกอันนั้นไม่ใช่สติสัมพุทธชงแต่สติสัมพุทโธต้องมารู้โพงในตัวเองได้แต่หัวจุเท้าแต่ละเวลาว่าอะไรกําลังเกิดอะไรกำลังดับแต่ไม่ใช่ไปรู้ลักษณะคิดเอานะลักษณะไปสัมผัสไปสัมผัส ที่มันเกิดขึ้นในในตัวในเนื้อตัวเราเนี่ยสัมผัสเอาเพราะนั้นไปสัมผัสแล้วก็สารวจลงไปว่าขณะที่เราจิตเราสัมผัสเนี่ยมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันสบายหรือไม่สบายอ่ามันอ่าพอใจหรือไม่พอใจไปสารวจตลอดเวลาเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างอ่าความสุดตรง ทั้งสองอย่างไม่สุดตรงไปสุขไม่สุดตรงไปทุกข์แต่พยายามทําสุขทําทุกข์ได้ให้มันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันไม่เห็นทุกข์ดีกว่าสุขไม่เห็นสุขดีกว่าทุกข์สุขทุกข์มีค่าเท่ากันถ้าสมมติสุขทุกข์เนี่ยเป็นเกิดเป็นดับอันไหนคนจะเป็นเกิดในคนจะเป็นดับเออเอาละตรงนี้สําคัญถามว่าระหว่างสุขกับทุกข์ตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับมีคนตอบว่าทุกข์เกิดทุกข์เป็นตัวเกิดสุขเป็นตัวดับถูกต้องไหม เออชักลังเลเหมือนกันนี่ซุปกับทุกมันอันเดียวกันอ่านันนันเห็นไหมเอาไปหนึ่งร้อยเอาไปหนึอยเฮียวยาไปหนึ่งร้อยเลยเออทุกก็เป็นตัวทําให้เกิดสุขสุขก็เป็นตัวให้เกิดทุกเพราะฉะนั้นสองอย่างจะเป็นตัวเกิดอยู่อ่าตัวเดียวกันสุขก็คือทุกน้อยทุกก็คือสุขน้อยใช่ไหมเราอ่า แต่ว่าตัวไหนเป็นตัวดับล่ะนั่นไงตัวไหนตัวไหนเขาไปรู้พอทุกก็เป็นตัวเกิดสุขก็เป็นตัวเกิดแล้วตัวไหนเป็นตัวดับตัวไหนเป็นตัวดับทุกตัวรู้ตัวรู้ดับรู้ตปัญญาอ่าตัวมีสติเข้าไปรู้สุขรู้ทุกนั้นเป็นตัวดับแต่นั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยตัวดับก็ไม่เกิดมันก็เกิดเรื่อยไปใช่ไหมเดี๋ยวเกิดสุขเด้อเกิดทุกเด้อเกิดมันก็เกิดเป็นวัตสงสารเวียนก็อยู่นั้นดับไม่เป็นใช่ไหม พอตัวรู้เขาไปตัดสุขหรือไปตัดทุกปั๊บสุขไม่เกิดทุกก็ไม่เกิดทุกไม่เกิดสุขก็ไม่เกิดเพราะมันเหมือนกับไม้หนึ่งเล่มสุขอยู่หัวทางนี้ทุกอยู่หัวทางนี้แต่ก็ไม่เล็บเดียวกันใช่ไหมมันอยู่คนละหัวเท่านั้นเองแต่นิพันธ์ทิ้งไม้โยนไปไม่มีไม่มีไม้เล่มนั้นก็ไม่มีหัวไม่มีท้ายไม่มีสุกไม่มีทุกก็คือตัวดับใช่ไหมนิพันธ์ถึงแปลว่าดับไงว่าตาสงสารคือเกิดนิพันธ์คือตัวดับ ในที่สุดแล้วอ่ะอ่าเพราะนั้นคู่ของการเกิดดับเนี่ยมันมีมาแต่กำเนิดของโลกตะวันเกิดมืดหรือสว่างอ่ากลางคืนเป็นเกิดหรือเป็นดับกลางวันเป็นเกิดหรือเป็นดับอ่าเอานะอย่ายลืมประเดนเอาให้ดีนะกลางคืนกับกลางวันตนัวไหนเป็นเกิดเป็นดับ เออชักคิดหนักแล้วนี่เนาะชักไม่แน่ใจแล้วคืนดับคืนดับอวะกลางวันไปเกิดเหอเออกลางคืนกลางวันมีจริงหรือเปล่าไม่มีจริงเรานั่งเครื่องไปแค่ข้ามไปอเวกาตัวนี้ยังสว่างโลกอยู่เลยเี่เอื่องสว่างแล้วดังนั้นตัวเกิดกับตัวดับก็มัน ตัวคืนกลางวันเน่ยมันก็เหมือนตัวสุขตัวทุกต่างก็เป็นตัวเกิดเหมือนกันคนละมิติเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าให้เราไปเหนือบรรยากาศตัวนี้สิเหนือขึ้นไปดิไม่มีมืดไม่มีสว่างใช่ไหมอ่ามันมันเน่ยเหนือขึ้นไปนั่นก็คือตัวตัวดับคือตัวรู้นะพราะนั้นเองบางอย่างเป็นทั้งเกิดบางดับบางอย่างเป็นเกิดเป็นดับให้เห็นชัดแล้วแต่ว่าเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันไหมในตัวเราก็มีทั้งสุขทั้งทุกมีทั้งเกิดทั้งดับอตลอดเวลา บางอย่างเป็นเกิดเป็นดับการหยุดบอกว่าเป็นดับการเคลื่อนว่าเป็นเกิดแต่ความจริงการหยุดเพราะมีการเคลื่อนการเคลื่อนเพราะมีการหยุดเพราะนั้นการอยู่กับการเคลื่อนก็เป็นเกิดด้วยกันถ้าอยาเป็นดับก็ดับด้วยกันเพราะมีสติรู้หรือไม่รู้ถ้าสติไม่รู้มันเป็นเกิดใช่ไหมทั้งหยุดทั้งเคลื่อนพอสติรู้เข้าไปทั้งเกิดทั้งเคลื่อนมันเป็นดับทั้งคู่เข้าใจได้ไหมอ่าสุขกับทุกข์สามารถเป็นเกิดได้ทั้งคู่เราเป็นดับที่นู่นเคลนอยู่ก็ว่าสติตามรู้ทันไม่ทัน ถ้าสติตามรู้เราทานเป็นดับทั้งคู่ใช่ไหมถ้าสติตามรู้ไม่ทานเป็นเกิดทั้งคู่ใช่ไหม น, นั่นนี่คือที่เราต้องพิสูจน์ได้ต้องสร้างตัวรู้เยอะๆนี่ต้องสร้างตัวรู้แต่สร้างรู้ผิดอะ่ะสร้างไปก็ไปคนละเรื่องเลยนะ <laughs> ต้องสร้างรู้ให้ถูกด้วยรู้ให้ถูกรู้อย่างไรรู้ให้ถูกเนื้อถูกตัวถ้าไปถูกที่อื่นไม่ถูกนะให้ถูกเนื้อถูกตัวรู้ถูก แล้วมันต้องได้ถ้าต้องไม่ได้มันถูกไม่ได้ถูกแล้วมันต้องภาษาไทยมันตามสภาวะนันถูกต้องนะถ้าหากมันถูกมันต้องจับต้องได้ทีถ้าหากจับต้องไม่ได้มันไม่ถูกไม่ได้จึงเรียกว่าถูกต้องบ้านเทาว่าต้องเนาะต้องกายแตะกายต้องกายอ่ามาแตะมาต้องอยู่เรื่องเนี้ยมาจับอยู่นี่นี่ถูกแล้วเนี่ยเอาเอามาสติมาไว้ที่ถูกต้องได้ มันมาอยู่ที่กายนะเพราะฉะนั้นที่เราลุกนั่งย่างเดินเคลื่อนไวอหวตลอดเวลาเนี่ยสามารถที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดก็ได้เป็นดับก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวรู้เราพอหรือไม่พอถ้าตัวรู้เราพอเป็นดับตลอดเวลาถ้าตัวรู้ไม่พอเป็นเกิดตลอดเวลาถ้าตัวรู้มีบ้างมีบ้างเป็นทั้งเกิดและเป็นทั้งดับอ่าเห็นไหมขึ้นอยู่กับตัวรู้ของเราเพราะนั้นควรจะสร้างตัวรู้ให้เยอะๆและตัวรู้ที่ถูก นะรู้ที่ถูกคือรู้แต่พอดีอย่าไปรู้มากนะทุรู้มากเกินพอดีก็แม่อย่างเดินจะ้ากรมเนี่ยอยากจะรู้มากย่องเอาเลยนะโยกทีละนิดให้มันรู้เยอะๆอ่าส ง, งบจริงอ่ะสักพักหนึ่งไปแล้วง่วงส ง, งบไปเลยทีเนี้ยอย่างสมมติเรามานั่งปฏิบัติทั้งวันถ้าเรานั่งทั้งวันนี่ไหวไหมเนี่ยนั่งปฏิบัตินั่งส ง, งบทั้งวันไหวไหมไม่ไหวอะแค่สองชั่วโมงหายไปไหนแล้วไม่รู้ <laughs> อเดี๋ยวพอขึ้นใจได้กลับมานั่งใหม่ ได้อสองชั่วโมงสวักหายไปอีกแล้วแต่อันนี้เรานั่งมาตั้งแต่ทีสี่จนป่านี้ยังไม่หยุดเลยใช่ไหมเออมันต่างกันนะอนั่งเจริญสตินั่งได้ทั้งวันแต่นั่งสมาธิครั้งละสองชั่วโมงสาชั่วโมงไม่ไหวแล้วปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังเดี๋ยวก็ง่วงวันหนึ่งจะนั่งได้สามชุดชุดละสองชั่วโมงได้แค่6ชั่วโมงแต่นี่เรานั่งปฏิบัติกันสิบสองชั่วโมงอ่ะอ่ามันมันต่างกันตรงนั้นว่าเราทําได้ยืดสติมันก็ต่อเนื่องใช่ไหมแต่เราไปนั่งสมาธิเเนนนนี่่่่่ยสตตมมมััออืงงงไไดด้ขาชว นั่งใส่สมาธิได้เต็มที่เลยแต่อพอเลิกจากสมาิไปไปนอนหลับเฉยเลยนะเอ่อไปนอนหลับหรือไปนั่งเทศที่ไหนก็ไม่รู้ว่างั้นยนัะนก็สติก็ขาดแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราจะต้องศึกษาต้องวิเคราะห์วิจัยตัวเองได้ตลอดเวลาอ่าอย่าบอกว่าเออตอนนี้ถึงเวลาปฏิบัติเอาเตือกระตือเรือล้นทำสักทีหนึ่งอ้อตอนนี้เลิกปฏิบัติก็ทิ้งไปหมดเลยโอ้โหทำกันสามปีสี่ชาติก็ไม่รู้เพราะตัวรู้มันไม่ต่อเนื่องอ่า ตัวรู้ไม่ต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องเหมือนที่บอกได้วันก่อนนะถ้าเราหุงข้าวเนี่ยไฟต้องติดตลอดแต่ไฟดับบ้างติดบ้างอะ่ะบางทีข้าวหม้อ น, นั้นไม่สุกนะเพราะว่ามันมันไม่ถึงที่ของมันตัวรู้เหมือนกันถ้ามันต่อเนื่องตลอดกิเลสมันต้องเปลี่ยนเป็นปัญญากิเลสก็เหมือนเนื้อดิบพอถูกไฟอาญานไฟปัญญาเผาพวมากิเลสก็เปลี่ยนเป็นยาก็เหมือนเนื้อสุกเพราะนั้นกิเลสกับปัญญาก็เหมือนเนื้อก้อนเดียวกันเหมือนลูก ผลไม้ลูกเดียวกันไอ้ตอนมันดิบอยู่นะมันฝืดมันเฟื่องมันขมมันคืนแต่พอนานเข้ามันหวานนี่มะม่วงลูกเดียวกันตอนที่มันดิบอยู่มันเปรี้ยวมันหืนมันขืนมันขมตัวที่เรายังไม่ได้มีสติปัญญาเข้าไปเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจิตของเรามันก็ยังเป็นกิเลสมันฝืนมันเฟื่อนมันขืนมันขมอยู่แต่พอกิเลสพอสติปัญญาเข้าเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนเป็นปัญญาทําให้มีแสงสว่างขึ้นมา เพราะฉะนั้นกิเลสกับปัญญาก็กกเหมือนเนื้อก้อนเดียวกันเหมือนกับผลไม้ลูกเดียวกันเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเข้าไปเกี่ยวข้วของเท่านั้นเองคนนั้นคนไหนกิเลสเยอะก็ปัญญาเยอะคนไดโลภโกรธหลงมากาก็แสดงว่ามีปัญญามากอ่าจริงๆนะใช่ไหมเออเนื้อก้อนเดียวกันเนะ่ะแต่มันสุกก็มันจะก้อนเล็กกว่า น, นั้นไปไหมมันก็เท่าเดิมมาแหละแต่มันเป็นเนื้อสุกอ่าน่อมืองตอนที่มันดิบมนะัลูกเล็กเวลามันสุกมาลูกใหญ่ก็ไม่ใช่มันลูกเท่าเดิมาแหละอ่า ดูโลภกูหลงก็เป็นศีลสมถิปัญญาเท่าเดิมนั่นแหละแต่ได้บ่ามีสติเข้าไปเปลี่ยนเท่านั้นเองเข้าใจได้ไหมอ่าเข้าใจได้แสดงว่าไ ด, ไ, ได้ดวงตาเห็นรมแล้ว <laughs> นะก็ตอนเย็นวันนี้ก็ขอนุมโทนาสาธุที่เราได้ศึกษาเรื่องอารมณ์รูปนามจบนะพรุ่งนี้ไปต่ออารมณ์อื่นละเรวขอให้เราตั้งใจเอาไปติดตามตัวรู้ให้ต่อเนื่อง เพื่อที่เราจะได้ออกมาจากกระแสโลกมาสู่กระแสธรรมคือจิตใจเรามาเดินอยู่ในกระแสของลูกข้องน้ำในความรู้สึกตัวตลอดเวลานั้นเข้าสู่กระแสรพระ น, นิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ